พระธรรมเตสนาจะดูเรื่องหนักเขาคำภูตีสามเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำภูกประโยคนักทมเองอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนามโม ต, ตัสาะภาควะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสส เอกเทวาสัมปนานัณติโยเซนาปโมโคปาราจัตตาณิเวสนังปวิสิตตติสาธวดุราสปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่อันหุ่มไปตั้งบุญเปลือยหลุนสรงตุ้ม ยกจากลุ่มเมืองคนไปเกิดบนชัน้นฝ้าโคงแหล่งลาเมืองสวาลจริง้ากันวนหมู่มาดั่งอยู่ฟังธรรมจุงจะจาแต่ตนทิดสืบสนต้วยไฟแปงใจใส่จืิญจ้อยตัวตามทอยว่าตีบัดนี้แดเต้อ เอกติวสังยังมีวันหนึ่งเหล่านั้นตียาเทาปาละอันเป็นเสนาผู้ใหญ่โลภาไกล้เดือดตนขึ้นเววนคำเจา้ามันก็เข้าไปหายัางอุ ป, ปาราชาน้อยนาดในภาษาเจียงคานทันนอผู้บ้านนุมน่มเน่า มองบนเ้าเหง า, น า, าในบ่อจะครต้านต่อบอ่ปากลอ่อจะเตึงมันรำเปิงหันลากจริงออกปากทุนซาว่าคาแดอุ ป, ปารา จ, จัยศใหญ่เต้าโคตรไม่สั่งจา้าบ่อไข่จ่ากาวถอยเรือไผน่อยเจ้าไตา เสนาในอามาดเฮอุปราชเกรื่องกาขอคุณนาเกะ่าูฮได้หูตามมีเดเตเมื่อ น, นั้นอุปราชจาใจถอยก่อตานถอยไรจาว่าดูราเสนาผู้ใหญ่เราหมดไม่ขี่มอง ย้อนใจปองคำเจ้าใขรเป็นเจ้าพาปราบัตนีนาปีขาอันเป็นเจ้าฟาหอใจก็มีสายใจลูกน้อยงามจืนจ้อยเตียมมาแม่นพาญาปีขาใดความนาเมื่อมอนเจ้านากรไพราตังอามาเสนาเตียงอุตสาพิเศษ อาติเรกมงคลยกยังตนลูกปีหื้อแตนตีสบวยเมืองเราเตียงเคือ ง, งมนไม่บ่อหอนได้เป็นพระยาจักกาดกาป่าวางบ่อสมไฟอังการิ่งในจันแหลนา องสุดตว่ า, ายฟเสนาห่าวหาดฟังอุป ร, ราชจะไขา ย, ยินีิจัยจมื่นปีตีตื่นนำนาอุปมาเก่าชี้คือเก่าแม่นตีมันคันย้อนตัวมันนั่นใสคนิงไฟกิตนาไข้ฮือทีดาน่อน่อยงามจื่จจอยจื่อสุนทารีได้เป็นเตวีรวมคาง กับเจ้าจ้างอุปราชาจิงยกมือสาใส่เก้าว่าคาแด่เจ้าบุญหลายแม่นเจ้าหมายไฟอ่าง <c oughs> ใครเป็นเจ้าจ้างทรงเมืองอย่าเกิดเครื่องลำบากคานี่หากอาสาหือสมภาทานาไฟห้อยบ่อฮือกาดก้อยวิไกย จุงอดใจโยธาเฮฟูคากระตำการบ่อปอนานแต่ใสเตียงจกักใดบ่สังกาอุ ป, ปาราชานุ่มเนาฟังคำเท้าใจหานบีใจบ้านเจียนจ้อยจริงตอบถอยกำไปว่าแม่นสมใจไฟอ่าง ได้เป็นเจ้าจ้างพาปุรีปัญ น, นาการมีหลายแหล่เราจักแผยยอปันเป็นรางวันลายหลากตามใจหากประสงค์ตามใจจงใครใดบ่เ ว, นว้นไว้อันใดคุณใจไฟผู้เท่าฟังคำเจ้าอุปราชาสมนัสาจมจืน ย่อมือยืนอันจุลีแล้วกรนีเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนกอมีหันแลยนะตาต่อปัทาะยาแรกแต่นั่นไปไปนาบ่เดินจ้าหึงนานคุณใจหันผู้ใหญ่กอแต่งใจรีบปนในอานัดตนบ่น่อย นับอ่านร้อยกันนานย่อมปลาจูผู้หือลี่อยู่ตามต่างพกเกิดควาคขำคายัางไผ่ฟ้ายิ่งใจหลักวัวควายเป็ดไก่หลักเครื่องใจนาณาเจ้าพาเจ้าไผ่ไตร้อนเดือดไหมเสื่องขี่ย่ำร้อยที่มารอดบ่อดได้ตอดเกีหา จักลับตายินอยากจนไรมากเดือนลายจุ่มคนใจเบาวแถวบ่อได้แอวเตียวกองย้อนจนปองคำคาบ่อเวินนาคนใดโหงเวียงใจใหญ่กว้างดังเป่าว่างเสียคนเสียงโกละหนมีกองแห่งปาดกองบ่โฮรีก็หายหนีเสียงขาด เสียงระนาดหายซอยดักเย็นว้อยสาตานไขจูดานเวียงใจจุมเจ้าไต้ไข้น้อยนาต่ำก้อยบองเงาพ่องซพเศร้าดักอยู่ห้องเก่าใครจะว่าสันใดจาดังอีแต่ก่อนกี่เดิมอ้อนเมื่อพระผู้ทอนตนเก่ายังเป็นเจ้าเสวยเมือง เต่จะเรื่องใจจ้าจุมไพ่ฟาเจยบ้านโจรไพ่มาโ น, น้อยใหญ่บ่มาไกลเบียนขีเต้าเป็นผีตายจากลูกเต้าหาักเป็นแตนความเขื่องเกนใหญ่น้อยติดจ้องหอยตัวมาเจ้าผ้าเจ้านมเท้าเก่าถอยเหล่าไหลอันพ่องป้ากันเป็นหมูขึ้นไปสู่หอคำ ยอมือตั้มใส่เก่าไว้สึงเจ้าปุรีว่าคาแดพระภูมิยศใหญ่อาทยาควายเดืองหัวบัตนี้ตัวผู้คาอันเป็นไพฟ้าเจ้าเมืองมีกำเครืองหลายแลโจนไร้แผ่เดือนลายลักหัวควายเป็ดไก่บ่อเว้นไว้อันใด เงินคำใส่บาไตหลักเสียงไข่หอเฮือนใจคนเฟื่อนสะดุ้งสติฟุ้งเววาจักลับตาหนิญยาทุกลำบากเหลือ่อน ขอพระผู้บานเป็นเจ้าปกห่มเกา่าเจ้าไต้กำจัดภัยจนร้หือแตกป้ายหายหนีหือเจ้าปุรีภัยน้อยสุกจืนจ้อยดังออนแดดเตอร์เมื่อนั้นพาญาสมมตตราดฟังโอกาสทุนสาแห่งพระเจ้ภ า, าภายัายไต่เต้าคกิดไข่ไปมา ว่าสันได้จาดีเหล่าแต่ก่อนเก่าเบื่อนนานจนภัยมันก็หยาบบ่อมาผาพระวีเคาะกาลีตัวไรบ่อต้องภายมาเบียนสุขสะเทียนตัวดาวลายเจนเต้าเหมือนมาบัดนีนาจนใหญ่เกิดขึ้นไข ว, วียงใจกวรเร็วไว้ตัดขาดคือก้อยกาดหายนี เจ้าปูรีเกิดแล้วกองอาหมัดแก้วต่างตาเรียกเสนาผู้เทามาหนังเฝ้าเรียวปันแล้วไข่ปันบอกเราเออผู้เทาตำ ม, มีว่าดุราเสนาบอดีเฮยผู้ใหญ่บัดนี้ไผ่ไตมองผ่าน บ่อสำรานเหมือนก่อนตุกบองคอนเรรนย้อนมีจนอยา่าไพรเตียวต้องภายเบียนขีลักของดีเสียงซ้ำลักพร้อมพั่มขัวเฮือนใจคนเฟือนสาดุงจิตหยาบยุงเววาตันจุงดาอย่าจ้าฮือไผ่ฟาเย็นใจ กำจัดภัยอุบาทเธือเสียงขาดเรียวไวตีนั่นขุนเสนาหาท้าฟังกำต้าไข่ปันย่อมือพันใส่เก้าไวเสึ่งเจ้าปุรีว่าขา้าแดพระภูมิยศใหญ่ข้าพระบาทไทยอาสา อยคือผราเจ้าภาัยน้อยหายต่ำก็เอแกนเครื่องเต้าว่าเมืองเรากวางคนอยู่ซังลวงลายจนบานภายถอยไรเกิดขึ้นไขวยียงใจการจากไปคำราพือจนยาบดีหายหรือข่าตายเมียนจากคือเสียงขาดเรียวปัน พอบอหันด้วยง่ายเหตุโจรไรดวงลายมีอุบายบ่อน้อยคาจักก่อยพิจ า, จารณาจักยับมาจูผู้ขออดอยู่ฟังไปขุนใจไฟหาเท่าทริกาวนานาแลออกกลาขึ้นสู่ยังที่อยู่เฮือนตนแลบอกกีบปนพวกน้อย อันใจถอยอาธรรมมีนานดำนมเท่ามากกว่าเก่าเป็นสองวส่จุงปองเตียวกว่าแอลซอลาเตจริงคือใจยิ่งไผ่ไตร้อนเดือดใหม่เครื่องกาลักของนานาพร้อมพัมบุบมอนาโอไหาทุกขึ้นไปจาใจ อย่าเว้นไว้เหือนได้เสนาในใจถอยได้ยินถอยกำจาแห่งเสนาผู้เทาอันเป็นเก่าได้ตนเขาจู่คนจื่นสู้บอกกิดหูอาเวจีกันร้อยที่มารอดก็ออกสอดสแวงหาลักของนานาลายลาตามใจหากผาทรงก็มีหันแลยนะ ตาตาในกาละนันไสจุมไั่ไตเจ้าเมืองมีกำเครื่องบ่อเหือดร้อนไม่เดือดเดื่อลายตั้งยิงใจหนุ่มเทานาม่อนเศร้าบองขีตัวปุรีเมืองใหญ่หอนเดือดไม่ผ่านไฟบ่องมีไผจักอาจือเสียงขาดโจนมาน สุขสำราญจื่อจ้อยหายกาดก้อยไก่ตาจุมพะจ า, าไผ่ไตก่อซ้ำใบทุนสารยังพระภูบาลหนุ่มเนาตนเป็นเจ้าปุรีสองสามตีลืมเหล่าขอเต้าเจ้าปาราไดคุณนะภาไผพอด หฮือโจนโหดนี่หายเือคนตั้งหลายวัวหมูได้สุขอยู่ดังอ้อนพระผู้ทอนยดเย่ฟังคำเก่าจะาไขแ <c oughs> ห่งเจ้าไตายไผ่ไตยก็หฮือคุณใหญ่เสนารีบแต่งดาบดจ่าไปพาพาโจรมารฝ้ายฝ่ายคุณหานเฮาหาดฟังเต้าที่ราดไข่ปัน ฮารีเรียวปันปอกสู่ยังที่อยู่เฮือนตนแล้วแต่งรีปนพวกท้อยย่อมใจถอยปาลามีนำนามากเตา้ายิ่งกว่าเก่าทอ ท, อ ง, ทองฮือเตียวปองสอดลาลักของกว่าเวียนฟีฮือเจ้าปุรีไพ่ไตหอนเดือดไม่นานานาก็มีฮันแลนะ เทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าเต้าเป็นเจ้าห่อใจข้านิ่งในคือตรอดใจดันสอดไปมา <c oughs> ว่าเมืองปาราณีใสตั้งแต่ไทยเมื่อ น, นานสุขสำราญหลายแลจนบ่อแพ้เบียนขีอุบัตินี้กอยกาด บอมาปาดเวียงใจเป็นสันใดเดี๋ยวดีโจรกำกี้มีลายหือยิงใจไผ่ไตห้นเดือดไม่เครื่องกากูหฮือเสนาผู้เทาเจนพ่อเจ้าใสา่ใจเฮอเร็วไวคำราบยังจนหยาบกาลีบอกลายตีแต่สดใจไรหดรม ไม่มีดำมากเต้ายิ่งกว่าเก่าเลือลายคนยิ่งใจน้อยใหญ่ฮอนเดือดไม่ะนัดใจเป็นสันใดดังอีไพ่บ่จีปันกูคกวนไปจูเศา้าพอเฮือแจ้งต่อสายตากรมมีมาแต่ก่อนเจ่นปูมอนไครปัน ว่ากันไข่หันแจ้งจอดถือมันสอดเตียวดูเต้าบุญจูที่ราดคนิ่งขวาดในใจก็เรียวไว้ฟังเฝ้าละเรื่ววงองเต้าราชาหนุงวัทนาผ้าเสื้ออันเก่าเกืือมองสีย้ำไร้ที่เตียงคอนหนาวสะต้นเย็นใน เอาดาบสลีกันใจดาบแก้วสุกสอนแล้วในตนทะรีเป็นจนห่าหาดลงผาษาดห่อจันให้บ่อหันบ่อหูบ่มีกูปอสองย้อนใจปองกุดสอดไข่เสียงขอดสังการีบไก้กาญายบาดป้นผาษาดห่อใจ พดออกไปไปนอกสูสรอกตัางเี้ยก่อยและเวลวเล่งพอก่อแจ้งต่อสายตาพระชนปลายูร์ลาสอดอยู่ตามกองกอมีหันและนาะ ตามัทังประกาศเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพปัญญูยอดซ้อยหันบาทยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตศนาวาโะโสมัตตโตราจาดังนี้เป็นตนพิก้าเวดูราพิกคู่รงตนทารงสินใสสะอาด ส่วนเต้าสมมาตราตผู้บ้านนอนสำราญจืนจ้อยในผ า, าสาดซอยใส่สีน้ำร้อยทีเตียงคอนกึนใจซนไปมาว่าเจ้าปา ร, ราไัยไตหอนเดือดไข่ยิงใจย้อนจนลายยาบจ้ามาคำคาเบียนควีฮเหือเสนาบอดีเจนป่ออันใจหม้อกระตำการ สงโยธาหารไปภาพยับจนยาปะลาลายวันมาแต่ใสบ่อนได้หันจนเสียงสะสนเกาวถอยแห่งภัยน้อย ành, nói, ยิ่งใจว่าจนลายมาเก้ายิ่งกว่คาเก้าเป็นสองกูควรลองไปพอ คือหันตอสายตาดังกำจาแต่ก่อนเจนปูมอนจะไขว่ากันคนใดไขหูอย่านับอยู่ลับนอนออกเต้วจรนดันสอจากหูหลอตามีเจ้าปูรียศใหญ่คันนิ่งไขหันตั้นก่อเร็วปั้นฝังเป้าละเครื่องเต้าบัดเดียว แล้วรีบเร็วบอกจ่าจทารงพาผืนดำเอาทงคำอันใหญ่ห้อยบ่าไว้ดาไฟดาบสะนีกันใจดาบแก้วสุขส่อนแล้วในตัวผาเขียนหัวจบไขว่นตาไว้เป็นหูเต้าบุญจูเจ้าฟ้ากับเป็ดนาเป็นโจนลงจากบนภาศาดไท่บ่ อ, อาจเล่งหัน ย้อนเข้ามันจูผู้ลับไข้กูยิงใจเต้ า, ตาพันภายรีพาวป้นจากดาวหอใจสะเด็ดไปไปนาสอดสอดลาไปมาตามบักกาตั้งไตกองน้อยใหญ่ดวงลายก้อยพันภายเล่งพอก็หันต่อตา ต, ตนคือหันจนอยากจ้าพงสอดลาไปมา ตาโอแสงจากเกาวตาลว่าสู่เข้าบานคนใดได้คำใส่บาไตของเครื่องใจได้เจ้าพ้องก็จะเกาวหูได้หูตามีว่าโจกโบดีสักกากได้แต่ทงมากได้ได้พ้องว่าตูมาลายเป็นหมู่เจ้าเฮือนหูเล็งหันจริงปะกันกว่าโจยโบได้โดยอันใด ้องกอไขต้านกาวซึ่งตันเต้าผู้บ้านว่ามึงใจหานเจนกว่าเตียวสอดลาเดียวได้ได้ของ้ายเลือแลจุงยื่นแผ่ปันตูเมื่อนั่นเจ้าเจียงจันสมมตั้ราชาก็ไขจะาตอบทอยซึ่งโจนทอยจังไรว่าเรามาไกลภาคมูปัดจากกูกลางเปียว จิงได้เตียวมาไขป้าบิดไม่นำนำเราได้คำลายแหล่จากยกแผยย่อปันเป็นรางวัลจูผู้ย่าได้อู่ไปลายตาโอบุญภายใหญ่ยอดเอามือสอดทงปลาจกคำมาลายแหล่ยืนปันแก่จูคนคนเกาะมีหันและนา อาตาในกาละนันโสดมีโจรโหดใจแข็งได้คำแดงลายหลากใจมันหกักปิญญาหักราชาเจ้าฟ้าอันกะเปตตาเป็นโจรมีกังวลบ่บอน้อยจริงก้าวถอยกำงามบาดูราใจร้ามต่างนามึงอาจกะเหเลือลายมาเดียวได้แต่ใส ป่อยลักใดคำแดงเป็นของแป้งลายแลมายืนแผ่ปันตูแม่นเจ้ากู้มารอดใดสะตอตาหันเตียงใจวันหักมากบอคหือภาคมีไก่ควรเรียวไว้ไต่เต้าไปหาเจ้าตนกูแดดตะวัน เมื่อนั่นเจ้าเจียงจันสมตัดราชาฟังโจนเจ้าบอกก่าไขาหูข่าวเน่าไปแสงจะาไขทำที่เฮเสียงตีสังกาว่าคนใดเจ้านั้นเล่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าจุ่มสู่ไปซุ่มลี่ซ่อนอยู่ตี่บนแดนไดจุงเร็วไวาา้อย่าเจ้าพาตัวข้าไปจู ที่เจ้าสู่สอนอยู่หือไ้หูเร็วปันกันข้าหันเปล่งป้อยสมไปห้อยมโนในก่อนคำใสก้ามากอันข้าหากยังมีข้ายินดียกต่อถือแก่ยอดนายจนและนะฝาฝยโจนป่าละหนุ่มเท่าฟังคำเล่าจะาใครเขามีใจจืนสู้ ้อมตั้งหมูหลวงลายป้าบุญภายเจ้าฟ้าออกเตี้ยวกว่าบัดเดียวไปรีบเร็วบ่จอดก่อไปรอดแกหาอันลับตาใหญ่กว้างโ <c oughs> จนอยู่สร้างนานำพ่องผ้าจำอยู่เฝ้าคนออกเข้าจะถามพ่องปุ่มลามต้องไก่ถือหอกใหญ่ดาแตงพ่องจากแช็งป่นหมู พ่องดอนอยู่เป็นสายพ่องนังย้ายเป็นตาพ่องเตียวกว่าไปมาต่างไครจากเาอู่ปอบ้องเป็นกรมเจ้าหอกคำใหญ่ ย, ยอดเข้าไปรอดไปในเล็งหันใสแจ้งที่บ่มีตีสังกาหันเสนาภูเทานั่งเป็นเก้าเจ้าจุม มัวโจนสุ่มแวดคางดังเจ้าจังบุญมีเจ้าปุรีพอค้อยโจนใหญ่น้อยนำนาแม่นโยธาจูฟูมาสุ่มอยู่เป็นโจนจางงานโงนยอดเหล่าตั้งนุ่มเทาเร่วร่าพ่องห้องทามห้องดาจ่ายหาบจ่าสามานส่วนจนหันผู้เทาก่อป้าเจ้าราชา เอาไปหาตีไก่บอกคุณใหญ่จังไรใครกําไปเกาจี้ว่าตูข้านี่หลายคนออกเตี้ยวหุนสอสอดได้ปะยอดคนดีมันนี่มีมนกาแอลสอลาเดียวได้ได้ขลายเหลเือแหลยืนปั่นแกเรารา มันนำมาหลายหลากนับแต่หากหลายปันจักยื่นปันแก่เจ้าตนเป็นเก้าเจ้าจุ้มใจมันหุ้มเข้าหมู่บ่มักอยู่เดียวดายคอตนน้อยยศใหญ่เฮือจนหม่ใจหานอยู่สำรานรวมห้องกับปีน้องเราระแดเตอ ที่นั่นคุณเสนาผู้เทาอันเป็นเก้าโจรมานหันพระผู้บ้านเจ้าฟ้ากับเป็ดน้าเป็นโจรเดินเตียวหนุนวารอดบอกคืดสอดสังกาหันคำขาหลายแลโลผ้าแผ่บังอําจริงใครกาําทำทีว่ามึงมีจือจี้สันได้อยู่แดนไกหรือไก มึงอยากไรเครื่องขี่หรือมังมีมักเต้าจุงบอกเล่าใครการมึงใจหานหลายแหล่ใดคำแต่เฮือนใดจุงจะใครก่าว จ, จี้หฮือแจ้งทีสัดจังแม่นมึงยังใคร อ, อยู่กับเจ้าหมูปันพวงเฮือนเฮาหลวงใหญ่กว้างจุงอยู่สร้างตามใจ จักเข้าได้ออกนอกจุงใครบอกฝันเราแดดตะวันเมื่อนั้นผาญาสมมติราเจ้าภาศาสตรมงคลกับเปตตนต่ำท้อยเป็นโจรท้อยปาลาฟังเสนาทาที่ก่อแสงจีกำไป หมูสาไครจูลหลหื้อคุณให้หันตันบ่หื้อมันหูรอดแล้วรีบตอดวางตำยังแต่งคำหลายแลยื่นปั่นแกนายโจนแล้วไยตนเขาสู่อยู่กลางหมูเจ้าจุมก็มีหันแหลน่ะ ตาตาในก า, าละนันไซตนเต่ตาไทายผู้ทอนแซงลงนอนจอมูเงี่ยขุดคูดลับไปบ่จกใครกำปากในใจหักววาสองหูดาฟังทีกำเข่าจี้จากันพ้องไขปันบอกหมู่ว่าเฮื่อกูอยู่ในเมืองบอขี้เคืองลำบากบอตกตกยากสันได เงินคำใส่มากเต้าทุกคำเจ้าใจบ้านเสนาหานผู้ใหญ่ป้อยแต่งใจป้าวายกูเตี่ยงตายตันค้าบ่อเดินจ่าเร็วพันกูจะพันจากหมู่ออกไปสู่เฮือนตนละเป็นจนกาหยาบเยี้ยวกรรมบาปตัวทันพ้องว่าอย่านั้นักแกจุงฟังแต่เร้า มันเสนาผู้ใหญ่มาปะใสเล็งหันเตียงจากฟันฟักฟาดเธอกอยกาดมาราณาฟังว่าจุงอดสาอยู่ท่าบ่อได้จะมึนนานกันพระผู้บ้านลุป ร, ราชได้นั่งภาสาทวะวยเมืองยาสาเรื่องลายแหล่เตียงเกิดแก่เราราตั้งคำขาบาทไตขาหน่อยใหญ่นิ่งใจ เต้าใจภายจมจื่นเตียงจักยืนปันเราพ่องว่ากูบ่อาสักกากเยววิบากตัวทั้นเจ้าจอมทันสมมตตราดเก้าอมาตเสนาเป็นพญาแตนปอก่อสร้างต่อปุรีตามพระเพณีทวนที่กอบเปนตีตามทำส่วนหน่อห่อคำอุปราชใจเฮาหาดปาลา มีตันหาบาปใบไข่เป็นใยเสวยเมืองแตนบุญเรื่องตนปีบ่แม่นตีธรรมดาส่วนเสนาผู้เท่าอันเป็นเก้ารีปนก่อหมาวนการบาเเคคนาเผาลายหื้อคงควายตั้งให้เตียวต้องภายเบียนวีลรักขวดีเสื้อผ้า หลักจังมางัวควายฮือยิงใจไผ่ไตห้อนเดือดไหม้เครื่องกาวิบากนาบ่้อยเตียงจองห้อยตัวตันส่วนตัวมันนั่นใสจักอยู่ใดนานไปค้ากึดใจคำเจ้าอินดูเจ้าปุรีสัตถุมีทูมีอยู่ไกลบ่กึดไขสังกา ข้าคุณนาปีน้องอันอยู่ห้องเวียงใจตั้งวงใหญ่มวลหมูกาอันอยู่ในเมืองได้ขี่เครื่องกังแกนตุกทางแน่นทนัดใจ ย, ย้อนโจนม้านภายอย่าปรายเตีวต้องภายเบียนขี้ขาจักหนีจากหมูออกไปสู่ไก่ตาพ่องวากูนีนาอยู่ไกลกับเส น, นาใหญ่มานาน หัวอาการท่วนทีบ่มีตีสงสัยคุณใจไฟผู้เทากับตันเจ้าอุปราชามีตันหาหลายแหล่โลภแผ่บังอําสองตาดำมืดบอดบอดแจ้งสอดหันใสมีหัวใจกาหยาบขึ้นการบาปสามานนอผู้บ้านอุปราชไครนั่งภาสาดเสวยเมือง เสนาเรื่องผู้เท่าใจมืดเศร้าปะะา่าลาไขอที่ดาหยอดซอยงามจื่จ้อยจื่อสุนทารีได้เป็นเทวีร่วมคางแห่งเจ้าจังหอคำจริกระตำทรงยู่บังคับหมูเฮาลายฮือผ่านภายต้องพายกระตำให้เบียนฟี อย่งเจ้าปูรีไผ่ไตฮือห่อนใ่เกนเครื่องฮือเจ้าเมืองเหยียเยาวจังยังเต้าสมมตัตราชสูจุงดาท่าพอจักหันต่อไปลุ้นย้อนว่าคุณหาเท้ากับหน่อเต้าใจหานเป็นตัวการหยาบยุ่งเมืองเตียงปุงเพตา เขาไก่จากเกาท้อยมีบ่อน้อยหลายอันไก่พ่อขัน like ตัวห้องนกเก้าห้องปอมเฟยเสียงน้ำมือตกต่อถูกต้องหยอดใบตองโจ้นอนกองควักไขวลับเสียงไข่จูคนคนพ้องก่อคนคือขากพ้องอาปากเหมือนตายเต้าบุญภายยศใหญ่เป็นเจ้าไพยพระจ่า หันกับตาแจ้งที่บอมีตีสงสัยก่อยคดไก่ดีผากออกไปจากไปในรีเปลวไว้ขึ้นสู่ยังตีอยู่หอกคำก็มีวันนั้นแม่นาเนธีตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตนาเขาคำผูกทวนสามาก่อบังกมสมฤต เสร็จแล้วเอาเตานี่ก่อนแล้ว